ได้ได้คำตอบได้ยังได้แล้วเนาะได้ตอบหลายคำตอบแต่ก็ไม่รู้คําตอบไหน <c oughs> ก็ตอนหน้าที่เจเลยไปมีโยมมาถามถามคำถามเลยยังไม่ทันยังไม่ได้ไปคิดเลยมาถามมาคำถามถามามตอบก่นเลยสอคนนี้เจเลย ถ า, ถามเรื่องรูปนามเรื่องนามรูปที่หนูขถามไปเนี่ยแล้วก็เรื่องของสติเป็นอย่างไรมาก็ถามคุณแล้วคุณว่าเป็นไงรูปนามที่เข้าใจก็อธิบายไปเยอะคิดว่าเป็นอย่างนั้นคิดว่าเป็ น, น, นมันเป็นความคิดไม่ใช่รูปนามรูปนามจริงๆเป็นอย่างไร ก็ถามคุณบอกรูปรบบนางที่สันฝันได้ก็ <c oughs> ถามว่าคุณรู้สึกอะไรบ้างตอนนี้ไม่รู้สึกอะไรก็รถามว่าคุณน้ําหนักเท่าไรหกสิบกิโลอะไรนั่งทับตัวเองหกสิบกิโลไม่รู้สึกเลยอะ่ะ <c> ซ <oughs> ึ่งเจ็บหนูรู้สึกเขาก็สึกหนักแล้วก็นั่นแหละที่ฉําฝันได้ในปัจจุบัน คุณแบกน้ำหนักละหกจริงๆเลยไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้สิอะไรได้ไหมรู้สิ <c oughs> น, นั้นถ้าเราค่อยใจลึกนามแล้วเนี่ย <c oughs> จะดูสิ่งที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นถ้าหากว่าจำหลักปัจจุบันได้ในอนดีนะตในอดตมันก็ง่ายเมืนเราสร้างหลักถ้าหากว่าเราจับหักปัจจุบันไม่ได้เราคิดเอาเหมือนเรานอนจะไปก็ไม่ ไปลำบากนอนอยู่จะไปทันทีไม่ได้ต้เรยลุกขึ้นก่อนแต่ถ้าหากว่าเราค่อยใช้ลุกนามเหมือนคนพร้อมที่จะออกเดินทางได้ทันทีมีอะไรปับ๊บก็จสตารได้ทันทีดังนั้นมีไรปุ้บ ป, ปั๊บกลับมาอยู่ความรู้สึกตัวปัจจุบั น, อ, นอันนี้คือลูกนาไม่ยากเลยใช่ไหมแต่ว่าทําไมมันถึงืมบ่อยทัานที่รู้อยู่นะขนาดนี้เอาไว้รู้อยู่ รู้ส nah ึกตัวอยู่ใช่ไหมถ้าใครเป็นคนรู้สึกความหนักความเบาเนี่ยใครเป็นคนรู้หนักรู้เบาตัวเราเองตัวเราเองนี่ยเป็นใครตัวเราเองเนี่ยเป็นใครรู้เป็นจริงรู้หนักรู้เบารู้นั่งรู้สบายไม่สบายเนี่ยใครเป็นผู้รู้นี นำไปตรู้สึกก่อนรู้สึกคุ้รู้ mm. แล้วก็รู้สึกหนักรู้สึกเบาเนี่เป็นอะไรอันนี้ว่าเมื่อวานนั้นคือรู้สึกหนักสึเบาเนี่เป็ น, น <laughs> อะไรนีนเป็นน้ำอยู่เลยอนรู้สึกหนักเบาก็รู้ว่าเราหนักเราเบารู้ว่ารู้สึกหนักรู้สึกเบาเนี่ยเดียวกันนหม ความรู้ส <car us> well, so ึกหนักเบากับความผูรู้ว่าหนักหรืเบาเนี่ยเดียวกันหรือเปลาล่อันความรู้สึกหนักเบานี่เป็นอะไรนะไปคนละหนึ่งเลยความรู้สึกหนักที่สึกเบาเป็นเวทนาอาเมันทัานยาวไปชุ่วมงอะไรอยังจับไม่ได้ก็เป็นเวทนาเเจ็บปวดหนักเบาเย็นด้านอ่อนแก็งแท้งรึงว่าวันไหลรอบ เป็นเวทนาแต่ผู้รู้หนักรู้เบารู้เย็นรู้ร้อนร้อนแข็งเนี่ยเป็นอะไรอันนี้ก็ว่าเป็นน้ำเป็นน้ำทีนี้ให้เดี๋ยวนัเดี๋ยวรู้ไปรู้สึกปวดนะักเดไปคิดว่าไปเข้าห้องน้ำใช่นหมแล้วนึกถึงห้องน้ำอยู่ที่ไหนนี่ยอันนี้เป็นอะไรฮะ อ่านี่ถึงจะเป็นนามรูปเออพอพอคิดว่าจะไปเนี่ยแต่ยังไม่ได้ไปใช่ไหมคิดว่าจะไปเนี่ยถ้าไปแล้วก็ก็เป็นรูปนามถ้ายังไม่ได้ไปนี่เป็นนามรูปเพราะคิดว่าจะไปยังไม่ได้ไปเพราะนามรูปมันจะเป็นอดีต น, นาโคตอยู่แต่ขณะที่เป็นปัจจุบันเนี่ยหนะ่ะเราเจ็บปวดนี่เป็นรูปนามรูปนามพุทธเวทนานั่นเองใช่ไหมถ้าใครเป็นผู้รู้รูปนาม อานามเป็นผู้รู้ก็คือสติใช่ไหมสติเป็นนามนี่ให้ให้ทวนเหลานี้บ่อยๆแล้วสัมผัสมันเบ่อยๆตอนแรกให้รู้จำไว้ก่อนรู้จำรู้จักไว้ก่อนพอมันบ่อยเข้าไปเข้าไปเข้าเหมือนเราท่องหนังอใช่ไหมตอนแรกก็ยังไม่จำเพรท่องบ่อยเข้าไปเข้าไปอย่เดี๋ยวมันก็จำท่อทุกวั น, ท, วนทุกวันเดี๋ยวมันจำได้ตัวที่จำได้ใช้เป็นเห็นชัดจัดจูกนี้เรียกว่าเป็นตัว เป็ตัวรู้จริงแล้รู้จักรู้จํารู้แจ้งรู้จริงแล้วให้รู้จริงัปอย่างๆไปอืพอรู้จริงเหมือนจำอันนี้ได้ปั๊บเดี๋ยวพอเหมือนเดือนเราเอาองคุเจอะไรใช้ทุกวันเนี่ยมีตั้งสิบรูปยี่สิบรูปใช่ไหมจะเข้าประตูนี้เรารู้เล็วรู้ส้องใช้รูนี้แต่ถ้าหากว่าเราไม่ใช่เจ้าของบ้าน รู้จักกันแต่ไม่ใช่เจ้าของบ้านไปเปิดประตูให้เราโยนเป็ยใจให้เราทั้งพวงแล้วเอาไปเปิดประตูให้หน่อยเราเราจับได้ทันทีมไหมโอ้โหปุยใเลือกได้ถูกลูกนี่ใหญทุกรูปเลยมัแต่ถ้าไปเจ้อขอเาของเองเป็นไงจับฟ็อกก็ใหญ่ได้เลยเ ช, ช่นเดียวกันถ้าเรารู้รูปนามของเราแล้วเนี่ยเราจะใช้ตอนไหนก็จับถูกเลยถึงแม้ว่าในขณะนั้นมีความรู้สึกหลายอย่างใช่ไหม ย่นดอนอ่อนแรงซึ่งซึง่งคิดอะไรต่างเนี่ยแต่เราจักตัวรู้สึกตัวที่เราจะใช้ขนาดนั้นได้ทันทีเลยว่าจะใช้รูปไหนจะใช้ความรู้สึกอะไรพราะเรารู้ดูมันตลอดดูมันทุกวันใช้มันทุกวั น, นะแต่อยู่ตรงนี้นะใช้ทุก ว, วันแต่ออกไปนี้ไม่ได้ใช้นะ้ใช้อะไรใช้ความคิด <c ười> คิดตลอดอทันี้เพราะฉะนั้นให้พยายาม เลือกรู้ใช้บ่อยๆใช้ความรู้สึกตัวเนี่ยบ่อยๆเพื่อให้จิตมันได้จำวันนี้บ้างเพราะเราใช้ความคิดมาไม่รู้กี่รายวันพันชาติแล้วนี่มันก็เลยไปจแต่เรื่องนั้นไปจําแต่เรื่องใจคิดเพราะเรามันคิดเยอะเลยน่ะมันยังน้อยไปนั่นเองคิดขนาดนั้นแล้วมันคิดเพราะมันคิดมานานแล้วเนี่ยไม่ได้คิดวันนี้แต่ทีนเราตมาฝึกตัวเนี้ยฝึกตัวรู้สึกเนี่ยเราต้องฝึกบ่อยๆอยู่มันนานอยู่มันบ่อย คจะพอมานั่งหรือไม่พอต้องเวลาเราจะลุกจะนั่งจะย่างจะฝึกให้มันรู้บ่อยๆผลเออเรานก็ได้คิดมันจะดีเลยหลวงพ่อก็ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาคิดจะไปคิดทาไมถึงเวลาคิดค่อยคิดมันจําเป็นค่อยคิดถ้าไม่จําเป็นก็มาอยู่ความรู้สึกตัวนี้ก่อนความคิดทุกเรื่องเนี่ยมันจําเป็นต้องคิดนะมไม่จำเป็นเนี่ยจะทำไมมันถึงคิดพอเราใช้มันบ่อยมันก็เลยปิ้งไม่ลงปิ้งไม่ลงนะ งั้นให้จำสองสามประเด็นเอาว่ารูปนามพุทธขังรูปนามเป็นยังไงรู้สึกรู้สึกขณะนี้รู้ส like. <iesta> <pper> ึกเห็นด้านอ่อนแขงอะไรก็ว่าไปรู้สึกสบายหนักนิดหน่อยเบานิดหน่อยรู้สึกเราเห็นตัวเองไหมกําลังอยู่อย่างไรสติเป็นยังไงก็แล้วลึกๆอยู่แล้วหนึหัวจุดหมวจดเท้าลึกๆอยู่เลยขณะนี้นามรูปมีไหม ก็ยังไม่มีเพะม่ได้คิดว่าจะไปที่ไหนยังรู้สึกอยู่ใช่ไหมพอเราคิดว่าจะไปที่นั้นก็นาำรูปประกอบก็ละนั่นเองถ้าเราเข้าใจนี่เป็นอย่างเป็นอย่างไปก็ค่รียนไปแต่ว่าถ้าเรียนอันไหนก็ให้ทํามานั้นซักสองให้มันจำซะก่อนอย่าเพิอยากรู้ไปเรื่อยแต่ว่าจาไม่ได้สักอย่างไม่ได้ให้ ในในคําสอนพระพุทธเจ้ามันไม่เหมือนทั่วไปอย่างคือให้สัมผัสสภาวะนั้นบ่อยๆจนกระทั่งมันขึ้นใจตัวที่มันสัมผัสบ่อยๆจะเป็นสัญญาต่อเมื่อไรมันจำเป็นขึ้นใจแล้วมันเป็นปัญญาตอนที่มันเป็นปัญญาเนี่ยมันจะใช้ได้มันหนังสือเนี่ยเวลาเราไปที่ไหนไม่มีหนังสือสวดได้ไหมไม่ได้เพราะมันยังไม่เป็นปาาัญญาใช้หนังสือได้สัญญาอยู่ แต่นั่นคือสัญญาข้างนอกนปัญญาข้างนอกนะสัญญาที่เป็นรูปแต่ปัญญาที่เป็นนามสัญญาที่เป็นนามคือจําแต่ความรู้สึกที่เป็นปัจจุบันถ้ามันเป็นปรมัตจําความรู้สึกจําอะไรที่มันเป็นปัจจุบันแต่ถ้ า, าเราท่องว น, นาดีแล้วจาได้อ น, นี้ก็เป็นสัญญาอยู่แต่ตัวขณะที่ปัจจุบันมันจําอารมณ์ได้จําได้ได้ชัดเลยละ่ะ นะแล้วใาชา้ได้ด้วยมันได้ใช้ได้ตัวนี้เป็นปัญญาแล้วมันจะตัวสติสมาธิปัญญาที่จําได้นะปัจจุบันนี้มันไปจะจัดการเรื่องทุกข์โดยเฉพาะเพราะทด็กเกิดมันแมวกับหนูเนี่ยนะถ้าหากว่าแมวเรามันต้องจับหนูนะไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนมันจะได้กลินมันจะรู้เลยว่านี่เป็นหนูเป็นอาหารให้มัน แล้วหนูก็จะรู้เจ้าอันนี้กินของแมวเป็นศัตรูของมันที่มันกลัวเหมือนกันถ้าเราศึกษาทำความรู้สึกที่เป็นสติเนี่ยมันจะจับทุกอะไรก็ตามที่มันเป็นทุกเน่ยมันจะเข้าไปจับทุกก็จะรู้ว่ามันมันกลัวสติแต่ถ้าหากว่าเกิดเลี้ยงเลี้ยงเงแมวแล้วมันไม่จับหนูเงี้ยแสดงแมวตัวนั้นเีง มีะแมวแล้วไม่จับหนูที่วัดท้ำที่ผงพ่ออยู่มันไม่ยอมจับหนูเลยบางที่หนูไม่งมามันกลัววิ่งหนีเลยทังเลยแมวดีใช้ไม่ได้เพราะมันกินอิ่มเกินไปนะไม่ชี้มีแต่ขุนมันอะ่ะคุณเจ้าคุณเย็นคุณเจ้าคุณเย็นแมวเลยไม่หิวเลยเพราะไม่หิวมันก็ไม่อยากจับหนูกเลยบอกวันอยาให้ไปกินอย่าให้อาหารมาันจะมันหิวเดี๋ยวมันหนาขีเ้เล็กเดี๋ยวไปจับหนูนะ เหมือนกันถ้าเราติดสบายเราไม่อยาก จ, จับทุกข์สติที่ไปสนองตัณหาสติเสมาที่ปัญญาที่ไปสนอ ง, งความโลภโกรหลเนมันไม่อยากจะจับทุกข์มันกลัวทุกข์เรื่อยๆไปอแมวเมืเอนกันถ้ามันสบายแล้วมันไม่จับหนูจะมันกลัวหนูดังนั้นเรื่องนี้มันเริ่องของธรรมชาตนะิเพราะฉะนั้นอย่าอย่าให้มันสบายเกินไปอย่าไปสนองตอบต่อ กิเลัญหาของโรคกวดหลงสติสัญญาแน่ถ้าไปนสนองตอบตัวนั้นแล้วสติสัญญาก็จะเป็นของตัวนั้นไปมันไม่จะเป็นของตัวสีธรรนดีปัญญาละเพราะฉะนั้นรักษาคนทํำไมจึงไม่อยากจะรักษาสีไม่อยากจะเจริญสมาธิไม่อยากจะเจริญปัญญาเพเพราะว่ามันไม่สนุกมันไม่สบายเหมือนโรคกวดลงโรคปวดลงมันได้สนุกสบายแต่มันเป็นสนุกสบายแบบกินของแสลงมันอร่อยแต่มันแสลงโลก แต่ตัวศีลสมาธิปัญญามันไม่อร่อยมันเหมือนยาแต่กินแล้วรักษาโรคคนก็ม่อยากกินใช่นี้อะไรที่มันอร่อยเปรี้ยวหวานมันเค็มลดจัดรดกินแล้วมันจีจะแต่คนชอบกินแล้วมันขมมันเผือกมันอะไรไม่ไม่ชอบเพาท่าเรื่อมันเป็นยาครบเพราะฉะนั้นจุดนี้ว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องมองถึงภาพประทับภาพลูกประทับให้ชัดพราะมาทํานามประทับปั๊บมันเข้าใจแล้วมันก็จะถูนใจเป็น ก็เป็นเรื่องธรรมดาเราเป็นโลกนี่เป็นโลกอะเป็นโลกกิเลสเป็นโลกอวิชชาดัญหาวรทาน์เราต้องการรักษามันก็จะเป็นต้กินยายาอะไรยารักษาเสียนยาเจริญสติเจริญสมถิปัญญานี่เป็นยาพระพุทธเจ้าเป็นแพทย์ใหญ่ของโลกเป็นพุทธโอสถยาที่เรากินเป็นพุทธโอสถเป็นธรรมโอสถ์พระสงเป็นผู้บอกยาก็เป็นสัมฆโอษฐ์ใเราจะเห็นว่ามันก็หลักการเดียวกันแน่ ถ้าว่าในแง่ของรูปธรรม้าเป็นนามธรรมเราลึกไม่ออกเพราะเรายังมึนโดยสบการณเท่านั้นดะังนั้นในเรื่องของอารมณ์ปฏิบัติเราพยายามที่จ ะ, ะโฟกัสเป็นเรื่องๆไปถ้าเราอยู่กับปัจจุบันจะรู้แต่เรื่องปัจุบันถ้าอยู่ในรูปนั่งอยู่ในท่านั่งจะรู้ของเรื่องนั่งให้ดอีอย่าไปคิดถึงเรื่องไป <c oughs> คิดถึงไปยังไม่ได้เดินไปเลยไม่ต้อไปคิดถึงมัน แล้วนั่งคิดอึงเรื่องนั่งในวงการของนั่งมันมีอะไรบ้างรู้มันให้หมดพอนั่งก็ให้รู้ชัดเลยนั่งจะมองจดเท้าในเมีอะไรบ้างขณะที่เรานั่งนีเจ็บตรงนั้นมันปวดตรงนั้นมันคันตรงนั้นมันแสบตรงนี้อ่าแล้วเราขยับเปลี่ยนไปแล้วมันเป็นยังไงอาการมันเปลี่ยนไปก็รู้ชัดๆที่สามอยู่แค่นี้แหละอันนี้คือศึกษาแบบวิปัสสนา แต่พอเรายืนก็รู้แต่เรื่องยืนนะการยืนเป็นไงในขณะที่เรายืนตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยในอาการขณะที่เรายืนมีอะไรบ้างอ่านมาให้หมดนะอ่านไปอ่านมาอานไปอ่านมาเดียวก็คล้องคือเราเดินเ ม, ามาื่อไงทีนี้รเราเดินก็จะมีอาการอีกแบบนึ่งไม่ใช่เหมือนนั่งเหมือนยืนละมีอาการแบบเดินเดินมีอะไรบ้าง ส่วนใหญ่แล้วเราเดินแล้วเปนไงคิดไปเดินโน้นเดนนี้นนขะแต่เรื่องที่ตัวเเดินอยู่ไม่รู้เดินไปนยังไงก้าวไปยังไงเหยียบไปยังไงหนักไปยังไงเบาไ ป, ไ ย, ปยังไงยกไปยังไงเดินหมุนซ้ายไปยังไงหมุนขวาไปยังไงเดินก้าวหน้าไปยังไงคอยลังไปยังไงไม่รู้ละ่ะคุณจะไปรู้ในเรื่องทิดข้งข้ อ, นองน ะ, นะแต่ถ้าหากว่าเราอยู่กับสิ่งใดรู้สิ่งนั้นให้ชัด ตรงนั้นเกิดโลกุตรภปัญญามีพระามคนหนึ่งเน่ <c oughs> เป็นผู้ศึกษาธรรมะในสมัยข้ามพุทธกาสมัยข้ามพุทธกาลมันมีสำนักอาจารย์เยอะเนาะร้อยแปดสำนักคือแกได้ยินมิโเสนอเสิรนเรื่องโลกุตรภรธรรม <c oughs> <c oughs> ว่าเป็นธรรมชั้นยอดชั้นสูงสุดถ้าใครรู้แล้วก็จะไม่ทุกข์ไม่ตายนี่แกก็อยากรู้กเขาบ้งางก็เลยไปถาม ถาเโลภุตรธทัมไม่คืออะไร <c oughs> สำนักนี้ก็ตอบอย่างหนึ่งไปสำนักก็ตอบอย่างหนึ่งไปสำนักก็ตอบอย่างหนึ่งเอมันยังไงกันแน่เลยมีคนมาบอกว่าอ๋อไปหาสมณพโทมาดิสมณพโทผมรู้จักเรื่องนี้ดีก็ไปหาแลย้ยไปถามเจ้าถ้าตถท่านสมณะผมเนี่ยอยากจะรู้เรื่องของโลภุตรธรรมไปสำนักแก่ละ คุบายาจานย่ะห็นตอบไม่เหมือนกันผมรู้สึกไม่พอใจสับสนในเรื่องคมตอบที่กิน น, น้ำเปล่าจริงอะไรเพราว่าท่านดวนนี่ากตอนนั้นท่านนั่งมันเคยลุกขึ้นยืนท่านยังไม่จบนะยืนเลอะสมดุลชอาพักห่งเดินเดินนิ่งๆเบาๆอะไรต่างถ้าับมานั่งตรง แล้วก็นอนไปลก็ลุกขึ้นมาอยากรู้สึกตัวเด็ตอบว่านี่แหละฟารมนี่คือโลกุตตระธรรมฟารามก็ง ง, งอะไรยืนเดินนั่งนอนทุกทายก็ทําได้ผมก็ดู น, น, นั่งนอนทุกวันมันมันเป็นโลกุตได้รับตรงไหนพุทธิยถาตรั ส, ว, สว่าดูก่อนฟาร์มการยืนเดินนั่งนอนของคนทั่วไปกับการยืนเดินนั่งนอนของเราไม่เหมือนกัน เพราะการยืนนั่งนอนของคนทั่วไปยืนเดินนั่งนอนตามสัญชาตญาณตามความเคยชินเคยยืนก็ไม่รู้ว่ายืนเคยนั่งก็ไม่รู้ว่านั่งเคยเดินก็ยังไม่รู้ว่าเดินเคยนอนก็ไม่รู้ว่านอนแต่เรากระาวพดยืนก็รู้ชัดว่ายืนเดินก็รู้ชัดว่าเดินนั่งก็รู้ชัดว่านั่งนอนก็รู้ชัดว่านอนนี่แหละเราเรียกว่าลงุตรธรรมแก่ทัวจินเลย แล้วไปฝึกไม่นานได้ไปดูทำเห็นไหมซึ่งเรื่องนี้ดูเหมือนง่ายๆแต่มันไม่ง่ายพวกเราคิดว่าง่ายไหมง่ายใช่ไหมง่ายมากเกินไปใช่ไหม <laughs> มันง่ายเกินไปมันก็เลยไม่อยากทำมันง่ายเกินไปมันต้องคิดสำหรับซับซ้อนเป็นอะไรไปแล้วมันก็เลยยากทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยาก อันนี้คือความทุกข์ของเราเรื่องมันง่ายๆเรื่องของวัดของเมืองอย่างที่เขาเป็นเนี่ยมันเรื่องง่ายๆนะหมวงพ่ดูแล้วนะไม่ยากเดยทำไมมันเถียงกันดานนดามแดงก็เพราะว่ามันไม่รู้ไม่รู้โดก ร, ระธรรมมันเลยแก้ปัญหาบ้านเมืองทาเรื่องยากให้เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากทำเรื่องอสบายให้เป็นเรื่องยุง่งนะนั้นได้ข่าวว่าพขาทำนายว่าในอนาคตประเทศไทย จะมีพระเป็นผู้นำเพราะนั้นแต่ไม่ใช่ของพ่อก็แล้วกันจะมันจะมีพระเป็นผู้นำเพราะว่ามหมายก็ว่าหาชาวบ้านนํากันมันมันไปไม่ได้แล้วอันน้นที่สุดเอาเอาข้าไป็นผู้นําหรือว่างกันอันนั้นก็เลยว่าเอถ้าหากว่าเราเอาธรรมะของอกเจ้าไปใช้จริงจริมันเรื่องทุดเรื่องจะง่ายหมดเลยนะคือว่าเป็น เ, นเรื่อง งการศึกษาทางตะวันตกทํางตะวันตกเขาทเนียมเขาก็คือทำเนียมใช้ความคิดใช้ป ร, รัชญาเพราะไอศาสตราทางแนวความคิดของเขาเป็นนักปรัชญาทั้งนั้นเลยว่าอริสตโตโตทนโซโกเกติสเนี่ยเขเป็นพวกที่ใช้ปรัชญาโดย ใ, ใช้ของกิตติยาเข้ามาเป็นแนวความคิดแต่ของเรานี่ใช้การจัดสรุปเรามีพระพุทธเจ้าสิบพ่อสัมมาหลายพระองค์ ในเอเชียมนป่ยเจ้าเป็นใช้แทนที่จะใช้กีฬาเซฟตี้ในเซ็ c โปรดี้แต่เราใช้เอ็นไลท์นั้นใช้อเวกใช้อเวกใช้อเวไม่ได้ใช้ philosophy ในเซ็กโปรดี้เนี่ยดังนั้นเองเราก็เช่นเดียวกันความรู้ที่เราใช้เนี่ยเราใช้เป็นเป็นลักษณะที่การรู้แจ้งเห็นแจ้งในแต่ละขนาดนั้นเราอยู่ด้วยแสงสว่างเราไม่ได้อยู่ด้วยการหลับตา การใช้ปัญญาเป็นการหลับตาแต่การที่รู้แจ้งเห็นจริงเปนการดินตาดูทีอย่างมันก็นจะง่ายเหมือนลับตาเดินจะดึงตาเดินน่แหละหรือมันเดินในที่มืดก็เดินที่แสงสวา่ า, างก็คล้ายๆตัวอย่างดัง น, นั้นเองเวลาเราปฏิบัติจะเิ็นปัญญาทำอะไรให้ทําง่ายๆคือทําด้วยความรู้สึกตัวนจะไปทำด้วยความคิดแต่ว่าเราอยู่มาด้วยความคิดเนี่ยมันเลยยิ่งยาก นั่นมาฝึกปฏิบัติธรรมไม่ใช่ฝึกอะไรมาคอมาฝึกเรื่องความรู้สึกตัวฝึกใช้ความรู้สึกตัวนะความรู้สึกแล้วเราไปใช้ความคิดความคิดนั้นจะกลายเป็นปัญญาแต่ถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวก่อนไปใช้ความคิดความคิดนั้นจะเกิเป็นกิเลสเป็นกันหาอันเดียวกันนี่นะแต่ว่ามันมันทํำไมเป็นคุรทางเลยนะความคิด ถ้ามีสติสมาธิเป็นฐานรองรับมันกลายเป็นตัวปัญญาที่สงสว่างความคิดอันเดียวกันนั่แหละถ้ามีกิเลสตัณหาเป็นฐานรองรับมันกลายเป็นตัวอวิชชาเป็นความมืดไปเลยเออเป็นเรื่องที่ประหลาดนะแต่ว่ามันก็เป็นจริงอย่างนั้นนะดังนั้นเองในจุดที่เราทั้งหลายก็เลยเป็นโลกความคิดความกลัวความโลภโลกรธลงอะไรต่าง ๆ, ๆถ้าไม่มีความคิดมันเกิดไม่ได้นะ เรื่องรักเรื่องชังพวกนีเ้เขาไม่มีความคิดมันเกิดไม่ได้ที่มันเกิไไ ด, ดกได้เพราะมันมีความคิดเป็นตัวตน้นเป็นตัวเชื่อของมันแต่ถ้าเราบอกว่าเราอยู่ด้วยความไม่คิดใช่ไหมไม่ใช่อยู่ด้วยการคิดอ่ะคิดบนฐานของอะไรสติสมาธิปัญญาแต่สิ่งที่ไม่น่าต้องใช้เอาไปคิดก็คิดที่บนฐานของอวิชชาตัญหาอวตานรคิดในบนฐานสามตัวเนี่ มันก็จะเป็นอ่ากิเลสเป็นความอ่าเป็นเป็นกิเลสเป็นอวิชชาไปเลยลว่างั้นเลยที่บนฐานนี้ดังนั้นหลวงพ่อเทีนบอกว่าปฏิบัติไม่ได้ห้ามว่ามาให้คิดให้คิดอีกคิดแล้วยิ่งรู้ที่ท่านพูดอยู่บนฐานของสติสติปัญญานะอี่คิดยิ่รู้นีนะเอ๊ท่ า, บาทนบอกเป็นยงบอกให้หยุดคิดอีกคนึบอกให้คิดให้คิดนองมามันทําเป็นมันค้านกันเ น, นี่ตัวนี้เรา แยกกันออกถ้าคิดในฐานของอวิชชาตันหาอวทานนั้นยิ่งคิดยิ่งเลอะยิ่งคิดยิ่งยุ่ยยิ่งคิดยิ่งทุกข์ยิ่งคิดยิ่งวุ่นแต่ถ้าเราคิดในฐานของสติสมาทิปัญญายิ่งคิดยิ่งสว่างยิ่งคิดยิ่งเข้าใจเข้าใจนหมที่พูดนี้เข้าใจไ่ม แต่ที่นี้ 2020, เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังคิดอยู่บนฐานของอะไรอยู่บนฐานของอวิชชาหรือบนฐานของสติเราจะรู้ได้อย่างไรคุณทอมาหลายงานแล้วสิตบไม่ได้แล้วหมดเทอมอยู่แล้วนี่เรารู้ได้ไงว่าเรากำลังคิดอยู่ในฐานไหนเรารู้ได้ยงไหเราจะรู้ได้ไงว่าเรากำลังคิดอยู่ในฐานองไร ผ่าน <laughs> คืถ้าหากเราคิดอยู่เอาปัจจุบันเป็นฐานเนี่ยความคิดอันนั้นเป็นความที่จะนำไปสู่สติปัญญาแต่ถ้าหากว่าคิดตั้งต้นที่อดีตนะพุทธเป็นฐานมันจะเริ่มต้นเลยอวิชชานั้นให้พึงระวังถ้ารู้ว่าอ่าเรากําลังคิดโดยความไม่รู้สึกตัวเนี่ยต้องตั้งสติก่อนให้ดูเนื้อรู้ตัวก่อน แล้วก็ตั้งใจที่จะคิดใหม่แล้วสิ่งที่จะคิดเนะี่ยจำเป็นไหมเป็นเรื่องจําเป็นไหมเป็นเรื่องที่จะต้องเลื่วนตัวไหมเป็นเรื่องที่จะต้องอใช้ขณะนั้นไหมสารวจอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเป็นการเตรียมการว่าคุณจะทำผู้นี้ว่าจะทําไงดีผู้นี้แทนเอาไว้ก่อนเนี่ยนั่นคือคิดแบบปรัชญาคิดแบบตะวันตกมีการแปลด ง, งหน้า เมื่อก่อนเนี่ยหลวงพ่อเวลาจะไปเอานิมนต์ไปพูดไปเทศน์ที่นู่นที่นีโอ้ได้เตรียมกันอน้่นะี้แต่หลังจากมาจเจริญสติแล้วไม่ต้องเตรียมเลยเพราะอะไรเพราะเราเตรียมกับสิ่งที่เราเตรียมกับเหตุการณ์ที่เราไปเห็นเนี่ยบางทีมันพลเรื่องมันใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้เลยเพก็เอาเหตุการณ์เฉพาะหน้าเนยมันจะมีมันจะบอกให้เราเองว่าคนจะคนจะคนจะพูดไปอย่างไรมีอยู่ครั้งหนึ่ง อเป็นวันแห่งสติเลไมคุนเนตเดย์อยู่ที่ฮาไลเซนดุยนี่เขาจัดไมพุเนเดทุกปีเพราะที่นั้นมีหมอคงศักดิ์เป็นนายกพุทธสมาคมที่วิสุรีวิเซนดุยที่ทุกปีเขาก็จะมีเกสต์สปเกอร์เข้าไปพูดทนีนหมอคงศักดิ์มาอาจะมาไปพูดนี่จะมาภาษาอังกฤษเป็นเรื่องไป็นราวด้วไหนะมาเอลิสแอสไมสไตล์ <laughs> เ <laughs> พราะอิงลินจะตายเมืองฉันกันแล้วกันนะเอาเงี้ยมาก็บอกเอาเงี้ยหมอหมอเปียนเป็นภาษาไทยหมอแปลษาังกฤษเข้ามา ก, ก็แล้วกันเข้ามาก็จะพูดดำที่พอไปถึงทีอะไรก็มีเตตั้เกิดสตาร์การ์นะในฟังกันต้นแรกเรพูดดาโปวยไปหน่อยมันไม่ได้เรื่องทีเนี้ยมันไม่เข้าไปสถะะานการณ์ที่เราดูนะมันก็นละเรื่องกันทิ้งโปรยในที่นีด้ดูวยตามภาษาของเราเลย ป้าบกว่าวันนั้นดีเป็นพิเศษเลยเพราะกระเกตสติกเกอร์ที่เขาเชิญมาพูดพิเศษไม่ได้เรื่องเลยเพราะว่าตามโปรว่าตามวิชาการนะครับแต่สิ่งที่เราว่าเปิดสดกับเป็นเรื่องนี้อันนี้คือคือเราต้องเชื่อในในตัวสติที่เป็นปัจจุบันของเราว่ามันจะต้องดูเหตุดูผลดูการดูประมาณดูบุคคลดูชุมชนนั้นว่าเป็นอย่างไรแล้วก็สรุปออกมาเป็นเรื่องจริงเน่ยขนาดนั้น ดังนั้นหลายครั้งที่มีการเตรียมเราไมนใช้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องปัจจุบันเราเตรียมมามันเตรียมมาตั้งหลายวันหลายชั่วโมงก่อนได้ยินไหมเป็นเรื่องของอดีแหละถ้าขณะที่เกิดขึ้นขนาดนี้เป็นเรื่องของปัจจุบันนั่นคือแบบสไตายแต่ตะวันตกคือการเตรียมล่วงหน้าแต่เหตุการณ์ที่เราเตรียมไว้หลายวันหลายเดือนหลายชั่วโมงแล้วเนี่ยมันไม่ตรงกับเหตุการณ์ขณะนี้ได้เดี๋ยวนี้เพราะนั้นสิ่งที่เราเตรียมตลอดเวลาที่เตรียมอะไร เตรียมสติเตรียมสมาธิเตรียมปัญญาเตรียมแสงสว่างเอาไว้ถือคุณจะเดินทางในที่มืดเตรียมไปฉายเอาไว้แค่นั้นนะใช่ไหมไปได้สบายเลยไฟฉายกับสิ่งที่เรานึกเอาน่มันก็เรื่องหนเพราะดันั้นการที่เราพูดเรื่องนี้ที่เราพูดเรื่องนี้เยอะๆเพื่ออะเพื่อให้เรามั่นใจว่ามันเป็นเรื่องสำคัญกับชีวิตจริงแล้วเราจะได้ นึกได้เสมอว่าเวลาจะไปห ย, ยิบไปหยับไปบจริงๆเรื่องที่สั่งสมควมรู้สึกมันไม่ได้ยากเลยนะเพราะการเคลื่อนไหวมีตลอเวลาใช่ไหมเราก็ไปใส่ความรู้สึกเอากับการเคลื่อนไหวกับการงานไปเขียนหนังสือจะพิมพ์หนังสือจะจับนูน่นจะฉวยนี่อะไรเนี่ยมันจับได้ตลอดเวลาแต่ว่านี่มันมีเหตุถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนในรูปแบบให้เข้มแข็งก่อนเนี่ย การที่เราจะไประลึกนึกได้ในขณะที่เราทําการทํางานมันเป็นไปได้ยากที่สุดก็ราะอะไรเพราะว่าเราอยู่ด้วยความเคยชินมาตลอดชีวิตของเราใช่ไหมแด้จู่ๆ จ, จะให้มารู้สึกตัวในขณะนั้นนะเป็นไปได้ไหมศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งในร้อยนี่ยมันมันไม่มีผลอะไรหรอกอาตมาเมื่อก่อนเริ่มใส่ในวิธีการของหลงพ่ะที่นาาแน่หันเราก็โอ้หนังภาษาอังกฤษจะมาเป็นไปได้เพราะชอาอ่านเสียงท่านนะ เพราป็นภาษาที่ง่ายๆเป็นภาษาดอกไม้เภาษาอกฤษของหลวงพ่อี่ทหารชอบอ่านทีนี้เอเราอ่านนึกถึงท่านหลายเติมแตหลายเลื่มแล้วเราต้องไปที่สู่เของจกิีบ้างเข้าไปไปร่วมกันที่เดียวพักที่เอสคดิโดเซบีโกว่างที่ข้างไปกับท่นที่ฝรั่งเศสเนาะจะเข้าสมมติแต่ง่านเป็นเดือนๆทีนเราก็สําหรับตัวท่านเองอนี่ยโอเคนะเออท่านนิ่มได้จริงแต่ไปดูลูกน้องท่านแต่ละคนมันไม่เ็สเหมือนท่านนะนี แล้วก็ดูเขาก็ชวนเข้านะขาอมีเพื่อนอยู่ท่านไผ่สิยาทานดาวิสาอะไรชวนเข้าแต่ดูแล้วเราก็เราก็เข้าไ ป, ขไปเข้าไปจริงแหละไม่ใช่เข้าไปสังเกตเข้าไปทำอะไรล่วงเขาเขามีทุกข์มีปัญหากันี้อ่แต่ว่าเน้นเรื่องสติ พรากูดว่าเรามารู้หลักของหูเทียนพระกูดว่าเขาเน้นแต่ตอนไปใช้แต่ตอนในรูปแบบมันไม่มีเหมือนเงินเนี่ยถ้าเราไม่สั่งสมไปก่อนเวลาจะาไปใช้ลงทุนลงหลอดลงรอนเนี่ยมันไม่ได้เพราะเราไม่มีทุนใช่ไหมเว้นแต่ผู้อันนี้จะไปลงทุนอันนี้ ไ, ได้แต่ว่ามันแต่รัาาการณ์ของนำ ม, มาทำไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่กู่ก็ได้เหมืนเงินนะใช่ไหมมันจะต้องมีทุนเสียก่อน แล้วก็อยไปหาทุนใหม่หได้กำไรใหม่ดังนั้นในวิธีการของเถรวาทคือทำตัวรูปแบบให้เป็นเมื่อทำรูปแบบเป็นแล้วเอาไปทำนอกรูปแบบมันจะเอื้อกันมีแรงสง่งแรงหนุนนะ่ะเพราะเรามีมีทุนอยู่แล้วทำให้มันชินมันรู้มันคุดตรงนี้เวลาจะไปจับน้ําำความคุดเคยมก็ติดไปใช่ไหมมันไม่ได้ทิ้งกัน เพราะเราความจําที่เราตอกย้ํำไปนั้นเขาก็ทีเขาก็สติเนี่ยมันรากมันมาจากว่าถีละสัญญาความหมายว่าถีละสัญญาแล้วความจําที่มั่นคงถีละเดีวมั่นคงใช่ไหมทำไมเขาเรียกว่าประเถระมาจากว่าถีละจะเขามาถาวรรากสับเดียวกันทีละเถละถาวรพวกนี้ถีละสัญญาคือความจําหมายที่มั่นคง หมายถึงว่าเรานั่งเราจำความรู้สึกยกมื อ, อให้จําความรู้สึกที่ยกมือได้อาการเป็นยังไงเมื่อยกขึ้นยกลงอาการเป็นยังไงผบบบู้ว่าว่าไงใช่ไหมเวลาอีกยกแล้วอาการนันยังมีอยู่ไหมอาการมันหายไปแต่มันแปลงเป็นอะไรแปลงเป็นความทรงจําใช่ไหมและความทรงจํานี้จําได้ว่าอาการ การเคลื่อนไหวแบบนี้มันรู้สึกว่าแบบไงเวลาเคลื่อนไหวแบนี้ไอ้อาการเหมือนกันไหมก็เหมือนกันนะมันเป็นความจำที่นี่เพราะเหมือนกันแล้วใจมันก็ดึงใจมาได้เลยอันนี้ความหมายของเขาว่าจิตละสัญญาแต่หน้าที่ของสติคืออะไรหน้าที่ของมันหน้าที่ของมันมันอีกร้างาเรียกว่าสระธาพรสติเนี่ยมันเป็นลงติดปัจจัยในอาขยะ ตามหลักของจิตปัจจัยในหลักของภาษาศาสตร์ของบาลีแล้วเนี่ยเมื่อจิตปัจจัยลงท้ายธาตุตัวไหน้าตุธาตุตัวนั้นมันมีสองตัวมันจะฆ่าแค่ตัวนึ่งไอตัวที่ถูกฆ่ามันจะไปรวมกับตัวปัจจัยเพราะฉะนั้นสารธาตุไปรวมกับจิตปัจจัยตีตัวนี้ไปฆ่าธาตุตัวหนึ่งมันก็กลายเป็นสติตัวระรอเรือหายไปเพราะถูกจิตปัจจัยเนี่ยเข้าไปฆ่า สังหารธาตก็เหลือคําว่าสติแต่ถ้าไปลงปัจจัยตัวอื่นมันไม่ค่าเช่นลงหน้าปัจจัยเนี่ยเรามาเรียกว่าสารณะใช่ไหมสารณะแปลว่าอะไรคิดพึ่งคิดระลึกใช่ไหมนั้นท่าเดียวกันนะสารธ า, านเหมือนกันแต่อันหนึ่งไปลงหน้าปัจจัยเนี่ยไปลงติปัจจัยพอลงจิตปัจจัยเหลือเขาไปสติพอไปลงหน้าปัจจัยเหลืวไวสารณะแปลว่าระลึก เป็ที่พึ่งเทียรึกใช่ไหมเวลาอ๋อข้าพเจ้ากระถึงซึ่งพระเจ้าก็เป็นที่พึ่งเทียรึ๊กอ่ามเพ็กก์เดอะพุทธัสริเมมเบรนซ์อัสดิคิวชั่นอัสเที่พึ่งเทียรึกนั้นจะเห็นนะว่าเอามาใช้ภาษาไทยทีเนี้ยคำว่าสาระเนี่ยเอามาใช้ภาษาไทยเขียนว่าไงสอ รรงนั้นอนะ่ะเวลาเาใช้ภาษาไทยเป็นสอค อ, อะไรสอคศรัลแล้วก็รอเรเืออ่านว่าสอนแปลว่าอะไรเล่นไปยิงเนี่ยนั่นมาจากรากศัพท์ตัวนั้นนะคําว่าลูกสอนเนะ่ยมาจากคำว่ารักศัพท์สาระธานั่นแหละใช้ตรงมากเลยแต่เราใช้จนคุ้นว่าไม่รู้เป็นภาษาบาลีลูกสอนลูกธ น, นูสอนสอนแปลว่าเล่นไปเล่นไปเพื่ออะไรเพื่อไปจับเป้าหมายที่เราต้องการ สอนยิงป้าเวลาไปงานเที่ยวงานวัดใช่ไหมไปยิงสอนเข้าป่๊กเขาก็เป็นวงเป็นวงในสมัยเด็กๆเล่นเดินเสียตังไว้เยอะเยหมุนป่๊กแล้วก็ยิงไปเสรยจแล้วก็ไปถูกใ้ถูกฝาไม่เข้าตรงกลางทุกทีแบบชั้นใดก็ดีสติที่แปลว่าแล่นไปวิ่งไปพุ่งไปเนี่ยเพื่อไปจับข้าหมายให้ทัน แล้วเอาคำน้าลูกศรมาใช้เป็นรากของเขาให้สติเปรียบเหมือนในพรานสมัยก่อนในายพานเขาไม่ได้ใช้ลูกปืนน่อใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็คือลูกปืนก็คือลูกศรใ น, เ, นเดียวกันใช่ไหมแต่พัฒนามาเป็นลูกปืนถ้าหากว่าในายพานยิงไปโป๊ะเนี่ยถ้าลูกศรมันเลน่นช้าก็ดีถ้าเลูกศรมันเลน่นยิงไม่ยิงไม่ตรงก็ดีเนี่ยสัตว์ที่เขายิงก็จะไม่ได้ถ้ายิงนกเนี้ยลูกศรมัเฉยไปทั้งอื่นลูกศรไปช้านกบินไปก่อนก็ไม่ได้ละ เพราะนั้นลูกศรเนี่ยต้องแล่นหนึ่งตรงสองต้องไวพอที่จะจับสัตว์ให้อยู่ได้จะให้สัตว์รู้ตัวไปยิงเก่งยิงวางยิงนกยิงหนูเนี่ยเมื่ก่อนไม่มีลูกกระสุนเนี่ยเขาใช้ลูกศรลูกธนูท่านก็เลยเอาศัพท์นั้นมาตั้งเป็นชื่อของคําว่าสารเพะว่าสอนระพุทธเจ้าเป็นภาษาอินเดียเนี่ยพระพุทธเจ้าก็เอาคําำนี้มาใช้คําว่าสติสารแต่ภาษาบาลีมันมี วอพัตปัดใจนี่เหมือนภาษาไทยก็ต้องเอามาแปลมาปรุงซะก่อนถึงจะมาใช้ได้นะดังนั้นสติคือว่าภาวะที่แล่นไปพุ่งไปยิงไปให้ทันเป้าหมายเป้าหมายที่สติจะต้องยิ่งไปให้ทันคืออะไรถ้าลูกศรข้างนอกอบบยิงลูกยิงหนูยิงเทงยิงเ้ทงยิงกวางแล้วยิงเป้าเนี่ย มีเป้าหมายใช่ไหมแต่ถ้าสติมีอะไรเป้าหมายยิงอะไรเป็นเป้าหมายยิงจิต <c ười> จิตเป็นเมนืนนนกใช่ไหมมันตายออเดชัยมตฑีเวอร์ลีนท e ิสติ้งแซบเจ็กวอร์ดไอทอคกิงดาเพราะฉะนั้นมันวิ่งไปให้ทันต่อเป้าหมายว่าจิตมันวิ่งไปคิดไปที่ไหนสติต้องวิ่งไปให้ทัน แล่นไปให้ทันเพื่อจับมันกลับมาเหมือนสุทนกับมโนโลานะเรื่องนี้เนะมันวิ่งจับไปตอนนั้นเวลาจิตคิดปั๊บถ้าเราฝึกสติมาดีสติต้องไปยิงจิตให้กลับมาให้ได้แต่ส่วนใหญ่มันวิ่งไปเฉยได้ใช่ไหมเราไม่ค่อยยิงมันหรอกเพราะยังเพราะอะไรเพราะยังไม่มีลู้สอนเราก็เลยถูกจิตให้ลากถูรู้ถูกดักกกงวิ่งตามจิตไปเขาลุกเขาพงไปอย่างที่เราเห็นนี่แหละ ดังนั้นเรามาฝึกที่ฝึกสติมาฝึกการระลึกให้ชำนิชำนาญฝึกให้ชำนิชำนานขนาใหนะ้ให้เฉ ย, ยิงแล้วเฉยไปซ้ายถูกไหมยิงแล้วไถ่ไปขวาถูกไหมยิงแล้วไปตรงถึงจะถูกผู้เรียกค้นพบตัวนี้เรียกว่ามัชชิมาปฏิปทาแปลว่าทางตรงลักษณะของอาการแล้วในความหมายนี้มัชชิมาปฏิปทา ไม่ได้แปลว่าทางสายต่างแปลว่าทางตรงนิ่งแนวไปสู่เป้าหมายแต่ถ้าหากว่าเฉไปซ้ายเรียกว่าอตตะกีเรมาทางโยกใช่ไหมถ้าเฉไปขวาเป็นกามาการนิการตรงขวาเราก็แยกไปซ้ายไปขวาในโล ก, กมันมีฝ่ายใช่ไมัมซ้ายขวาก็ว่าทะเลอะ ก, กันแต่ถ้าไปตรงตรงเนี่ยมันไม่มีปัญหาแล้ว ตรงไปตรงมาอันนี้มันไม่ตรงไปตรงมามันคิดปัญหากันดังนั้นเมื่อจิตคิดขึ้นมาปั๊บจิงสติต้องพุ่งไปให้ทันปั๊บจับมาเ อ, อเราบอกกว่าเออเดี๋ยวมันคิดไปก็เดินกลับมาเราไม่จะพูดกันอย่างนี้ใช่ไหมคิดไปก็ดึงกลับมาจริงๆแล้วไปจับมันได้ไหมเที่ยงแต่ยิงสติไปให้ทันจิตมันยิ่งแล่นไปขนาดไหนสติต้องไวกว่าถ้าสติไม่ไวกว่าจับจิตไม่ได้ เพราะนั้นการฝึกสติให้วันนี้ฝึกอย่างไรก็คือเรามาฝึกตัวนี้ไปซ้อมำกำลังของสตินี่เพื่อให้สติมันไวเท่านั้นนะถ้าฝึกแล้วให้จิตมันนิ่งมันชึมมันพือมันสนิทมันสงบเนี่ยทันจิตไหมไม่ทนันนั้นสมถานี้ไปนิพพานไม่ได้ไงไปแค่พรมเพราะไม่ทันจิตฝึกขนาดไหนก็ไปไปนิพพานไม่ได้สมถาต้องแปลงเป็นวิปัสนาเพราะฉะนั้นสมถานี่ฝึกปฏิบัติเพื่อแปลงให้เป็นฐานของวิปัสนา เมื่อแปลงสมถาะาเป็นฐานพุทโธสนาได้สมถะสมถะก็จะเป็นกำลังเหมือนแม่เหมือนหน้าไม้ที่จะส่งสายพันธุ์ที่จะส่งกำลังลูกศร น, นั้นไปสู่เป้าหมายได้ตรงและได้ไวนั้นคือฝึกสมถะเพื่อให้เป็นกำลังของวิปัสสนานะแต่ถ้าฝึกสมถะเพื่อที่จะไปเสดเจสวยความสุขรีบเด็กปฏิหารชานเรียบร้อยเลยไม่ใช่ทางพุทธแล้วเป็นทางกา เ็นสุเหรประเทศไทยแล้วก็เป็นแบบนั้นใช่ไหมเราใช้ธนูไปยิงเรื่องอื่นแล้วมันจะยิงเรื่องจิตนี่คือความหมายของว่าสติรู้สิบตัวดังนั้นตอนแรกนี่เราก็่จะต้องให้มันวิ่งมันเล่นฝึกยิงกายให้เป็นก่อนตอนที่ไปยิงสัตว์ดีเป้าให้เป็นให้แม่นเลยกันมาดูกายให้เป็นก่อนกายดูไม่แม่นเลยไปดูใจปู๋มเลย นักแม่นปืนนี่นะพวกเขาจะยิงเข้าจับวางได้หมายความว่าเขาต้องเสียกระสุนเยอะไหมโอ้โหนำไม่ได้ไม่ทั่วเป็นแสนแสนลูกอะก็จะแม่นจับวางเราก็เหมือนกันควรจะไปจับถูกจิตที่มันวิธีเนี่ยยิงโป๊ะเดียวอยู่เลยก็หมดโป๊ะเดียวหยุดเลยแต่ส่วนใหญ่เรายิงแล้วมันยังลอยนวลเฉยเลยใช่ไหมก็หมดเท่าไหร่เท่าไหร่ยิงคิดเฉยเลยเพราะอะไรเพรายิงไม่ถูก แต่ถ้าหากว่าเราฝึกสติให้แม่นแะพอรู้สึกคิดปั๊บสมุดรูกปุ๊บตกเลยหยึดทันทีนั่นหมายความว่ากำลังสติพอแล้วยิงได้แม่นแล้วยิงได้แม่นเท่ากับมีอะไรสมาธิใช่ไหมแม่นยาำแล้วยิงได้ถูกเป้าเป็นตัวปัญญาอ่าคุณต้องเล็งให้ดีนะเพราะว่าเล็งตัวเอ็ใช่ไหมเล็งที่เอม็มั้งคอตั้งเอ็มให้ดี นั่นคืออาการของสติสมาธิปัญญาทำงานร่วมกันสติคือตัวอาการที่ในฝานสตินี่เหมือนในฝนที่ทำหน้าที่นั้นที่จะเหนียวไก่สมาธิคือเล็งใช่ไหมโัยสมถะคือแม่หน้าไม้แล้วปัญญาคือตัวลูกสอนแล้วจิตของเราคือตัวเป้าหมายที่เราต้องจัดการ ดังนั้นถ้าหากว่าเข้าใจในความหมายสติในความหมายนี้แล้วเนี่ยมันจะสนุกต้องฝึกยิงเป้าให้ถูกเป้าที่เราแตเป้าหยิงป้าซ้อมกลายเป็นเหมือนเสมือนเป้าซ้อมที่จะยิงให้ระลึกรู้ว่าอ่ะมีอะไรเกิดตรงไห น, นให้ได้ลึกรู้ไปเรื่อยๆซ้อมไปเรื่อยๆแต่นี้ให้เดินเพื่อจะมันซ้อมก็ยิงตัวนี้ยินอยู่ตรงนี้ไหม นั่นยิงออกหมดยิงออกอดีตเราฟ่หมดไม่ได้ถูกปัจจุบันเลยให้ยิงถูกเป้าหน้าปัจจุบันใจเนี่ยเป็นเป้าหน้าปัจจุบันแล้วก็กําหนดรู้ณปัจจุบันขณะนี้เก็บตรงไหนปดตรงไหนเมื่อยตรงไหนขาดตรงไหนย่อดตรงไหนให้รู้สุดนี้เฉยๆแต่เรากลับไปไม่ยิงเนี่ยกลับไปเป็นความสุขอันนั้นกลับไปเป็นความทุกขอันนั้นกลับไปเป็น ไม่สบายกัไบไอ้ความเบื่อความเสงี่ยความขี้เกีดไปเป็นมันหมดเลยแทนที่จะไปะเป็นป้อยญิงแก้ไขมันแก้ไขให้มันหายมันเบือ่อเพราะแก้ไขมันหายเบือ่อทำไมเขายิงตกแล้วง่วมันแก้ไขหายง่วงยิงตกแล้วคิดจะแก้ไขหายคิดยิงตกแล้วซ้อมไปเรื่อยๆนี่เวลาเราไปสู่สถานการณ์จริงฟักเนี่ยปัญหาไม่เกิดเพราะอะไรเพราะสติปัญญาปไปไล่จัดการแก้ไขได้หมด ยิงถูกโปๆเลยนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่เราจะต้องทําความเข้าใจมิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะไปปฏิบัติธรรมะสายไห น, นก็ตามมันไปไม่ได้เพราะหลักการอันนี้มันไม่ถูกแต่ถ้าเราจําหลักการอันนี้ปฏิบัติธรรมะสายไหนก็ก็ไปได้ทั้งนั้นแต่ว่าครูบาอาจารย์ธรรมแต่ละสายมันเหมือนกันนะบางคนก็พาออกไป นอกเรืองนกลามากมายทำให้เราเสียเวลาแล้ววันวันหนึ่งจะทำความเพียรเนี่ยแทนที่เราจะทําเำเต็มที่เดี๋ยวก็ฟังธรรมะเดี๋ยวก็เทศธรรมะเดี๋วก็ไปคนละเรื่องละลาแต่ในวิธีการหลวงพ่อเห็นถึงเวลาทําทําให้เต็มที่แล้วกันเวลาฟังคุยอพทำทำให้เต็มที่ฟังให้เต็มที่แล้วเวลาไปทําไปทําให้เต็มที่แล้วเราก็จะมีเวลาที่จะผลปฏิบัติของเราได้เยอะนะเลาวละ สงสัยนะปัญหาสมข้อพรุ่งนี้เป็นหาข้อหม่พรุ่นี้ต้องถาห้าข้อวนะันนี้่าสามข้อได้ก็ขออนุโมทนาสาธความตั้งใจที่เราทั้งหลายจะได้ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่มีอยู่จริงให้ดูแจ้งเหินจริงจ น, นสามารถแก้ไขปัญหาและความทุกข์ของตัวเองได้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเ Gracias.